พระธรรมตามพระใจปิดกครั้งที่92คาถานี้เจ้าร้องดีแล้วเจ้าขับดีแล้วเราไม่มีความสงสัยเราจะให้บ้านสวยร้อยตําบลแก่เจ้าร้องเพลงไม่นั่นมีความตามาร น, นะร้องเพลงไม่กี่เพลงเนี่ยก็รวยเหมือนกันนะก็มีนักร้องบางท่านเนี่ยร้องเพลงทีหนึ่งได้ประมาณร้อยแปดสิบล้านร้องเพลงไม่กี่ครั้งเนี่ยได้เป็นร้อยล้านเลยอ่ะไอร้อยแปดสิบล้านถามว่ารับไหม ไม่ร้องแค่เฉยๆ่านั้นแหละวิบากเวลามันให้ผลมันก็สดเชื่เห็นนะแต่เวลากรรมชั่วมันให้ผลก็นั่งน้ําตาไหลพลากกันนั่นแหละนะมันขับแค้นก็บอกว่าทุกใดไหนจะทุกเท่าผลแห่งกรรมที่เรากระทำไ้แล้วเราคิดว่าคนนู้นทําบาปทําอกุศลก่อกรรมทําชั่วให้แก่เราถ้าเรามองพิจารณาชีวิตภายในเรานั่นแหละเป็นคนที่ก่อกรรมทําความชั่วให้แก่ตัวเรามากมาย ขณะไหนที่จิตเป็นบาปใครทำชั่วยอมก็เราเองนั่นแหละจิตเราเป็นอกุศลเป็นไปกับโลภะโทสะพูดไม่ดีทําไม่ดีคิดไม่ดีอันนี้ก็บาปเกิดขึ้นในใจเราเมื่อบาปเหล่านี้เกิดขึ้นในใจเราเวลากรรมมันให้ผลนะเราก็ไปโทษแบบคนโน้นเขาทำความชั่วให้แกเราคนโน้นเขาทำความไม่ดีให้แกเราที่จริงอะ่ะถ้าเราไม่ทาเหตุที่ไม่ดีไว้แล้วผลเหล่านี้จะเกิดมาแต่ไหน กุมารก็เลยกล่าวตอบบอกว่าข้าพระพุทธเจ้าหาใช่จิตตะไม่ข้าพระองค์ไม่ใช่จิตตะล้อพระเจ้าค่ะข้าพระพุทธเจ้าฟังคํานี้มาจากคนอื่นและก็ฤาษีได้บอกเนื้อความนี้แก่ข้าพระเจ้าแล้วก็สั่งข้าพระพุทธเจ้าว่าเจ้าจงไปขับคาถานี้ตอบถวายพระราชาพระราชาทรงพอพระทัยแล้วจะพึงพระราชทานบ้านสวยให้แก่เจ้าบ้างก็มัก็คือเพลงที่มาขับร้องตอบเนี่ยเป็นของฤาษีเขา สัมภูตราชผู้เป็นพระราชาฟังคํานั้นแล้วก็เลยคิดว่าช่รอยดาบทนั้นจะเป็นจิตตะบัณฑิตผู้เชษฐาพาดาของเราก็คือพี่ชายของเราเราจะไปพบพระเชษฐาาดาของเรานั้นแล้วก็ตรัสใช้ให้ราชบรุรษเตรียมกระบวนสั่งว่าราชบุรุษทั้งหลายจงเตรียมราชรถของเราจัดแจงให้ดีผูกรัดจัดสรรให้งดงามวิจิตจงผูกรัดสายตะคนมงคลหัตถี นายหัตถาจารย์จงขึ้นประจำคอขอช้างอะ่ะจงนําเพรีโอนสังมาตรเตรียมเจ้าหน้าที่ทั้งหลายก็จงเตรียมราชพหานะโดยเร็ววันนี้เราจะไปเยี่ยมเยียนพระฤาษีซึ่งนั่งอยู่ณอาสมให้ถึงที่ทีเดียวคิดถึงกันมานะจากกันมาตั้งห้าสิบกว่าปีแล้วใช่ไหมไม่เคยเจอซึ่งเคยสนิทสนมกันมาตั้งสามสี่ชาติตายอีกสามชาติก็ขาดจากกันไม่ได้นะ แสดงว่าผูกพันรักใคร่กันมากพระเจ้าสัมภูต ร, ราชครั้นรับพระดํารัสอย่างนี้แล้วก็เสด็จขึ้นทรงรถพระที่นั่งโดยฉับพลันจอดรา ช, ชรถเอาไว้ที่ประตูพระรา ช, ชอุทยานแล้วก็เสด็จเข้าไปหาดาบทิตตะบัณฑิตนมัสการแล้วประทับนั่งณที่ควรส่วนข้างหนึ่งมีพระรา ช, ชหฤทัยชื่นชมโสมนัตโอ้ดีใจมากเลยจากกันมานานอ่ะนะเคยจากคนที่เรารักเราชอบใจแล้วก็ โหไปเห็นกันอีกครั้งหนึ่งโหดีใจบอกไม่ถูกเลยนะบอกว่าข้าพเจ้าเป็นผู้ได้ลาบดีแล้วหนอคาถาอันข้าพเจ้าขับดีแล้วในท่ามกลางบริษัทข้าพเจ้าได้พบฤาษีผู้สมบูรณ์ด้วยศีพลพรตและเป็นผู้มีความชื่นชมยินดีปีติสมาัะทยิ่งนักหมูผมดีใจจริงๆเลยได้เจอพี่อีกแล้วอย่างเงี้นแหมพี่ไปยังไงมายังไงอะนะคิดถึงมากเหลือเกินอย่างเง้น บอกว่าโหบทเพลงที่ผมได้ขับร้องตั้งแต่สมัยอภิเศกเนี่ยแม่เพลงนั้นร้องไว้ดีแล้วไม่ผิดเลยนะถ้าไม่ร้องเพลงนี้โอกาสที่จะได้เจอพี่อีกคงไม่มีก็บอกว่าจำเดิมแต่ได้พบจิตตะบันดิตแล้วพระเจ้าสัมพูตราชก็ทรงชื่นชมสมานัทเมื่อมีพระราชดำรัสตรัสสั่งซึ่งราชกิจเป็นต้นบอกว่าท่านทั้งหลายจงลาชบันลังเพื่อพระเชษฐาพาดาของเราโอ้ตแต่งอาสนะให้ดีนะให้แก ที่ชายของเราได้นั่งอย่างดีเลยขอเชิญท่านผู้เจริญโปรดรับอาสนะรับน้ํารับรองเท้าของข้าพเจ้าทั้งหมดเถิดข้าพเจ้ายินดีต้อนรับท่านผู้เจริญในสิ่งของอันมีราคาคู่ควรแก่การต้อนรับขอท่านผู้เจริญเชิญรับสการะอันมีค่าของข้าพเจ้าทั้งหลายด้วยเถอดโอ้ดีเนะาะว่ากันขังพระเจ้าสัมพูตะบัณฑิตทรงทำนมัสการปฏิสันฐานด้วยพระดํำรัสอันอ่อนหวานอย่างนี้แล้ว เมื่อจะแบ่งราชสมบัติถวายครึ่งหนึ่งก็บอกโอ้โ oh, ห oh, ใจนักเลงหน้าดูเลยนะคิดถึงพี่หมายจะแบ่งบ้านแบ่งเมืองให้พี่ครึ่งหนึ่งเลยว่าขอเชิญพระเชษฐาทรงสร้างปราสาทอันเป็นที่อยู่หน้าเรื่นรมสำหรับพระองค์เถิดจงบํารุงบาเรอด้วยหมู่นารีหญิงสาวทั้งหลายโปรดให้โอกาสเพื่ออนุเคราะห์แก่ข้าพเจ้าด้วยเถิดแม้อเราทั้งสองจกครอบครองอิสริยสมบัตินี้ร่วมกัน ที่มาเถอะปกครองบ้านเมืองปกครองแผ่นดินเนี่ยร่วมกันเถอะคนละครึ่งเลยพี่สร้างปราสาทเลยที่จะเอาอะไรก็สั่งได้ตามสบายเลยนะจิตบัณฑิตฟังพระดำรัสของพระเจ้าสัมภูต ร, ราชแลว้วเมื่อจะแสดงธรรมกาถาถวายไปเชิญฤาษีนักบวชให้ครองบ้านครองเมืองเนี่ยท่านก็บอกว่าดูก่อนมหาบาพิตรพระองค์นี้ทรงเห็นผลแห่งสุดจริตอย่างเดียว พระ อ, องค์เนี่ยจำได้ใช่ไหมว่าพระ อ, องค์เนี่ยเกิดเป็นไปเป็นฤาษีบวชแล้วให้ผลเป็นความสุขส่วนอาตมาภาพเห็นผลแห่งสุจริตคือผลแห่งความดีและผลแห่งความชั่วที่สั่งสมไว้แล้วเป็นวิบากใหญ่จึงสำรวมตนเท่านั้นมิได้ปรารถนาบุตรปัสสุสัตหรือสัพ ชีวิตของสัตว์ทั้งหลายในโลกนี้มีกําหนดร้อยปีเป็นอย่างมากไม่เกินกําหนดนั้นไปได้เลยอันนี้พูดแบบโบราณน่ยนะของเราจะถึงหรือเปล่าร้อยปีถ้าเกินร้อยปีก็ย่อมจะเหือดแห้งไปเหมือนไม้อ้อที่ถูกตัดแล้วมีแต่จะเหี่ยวแห้งไปฉะนั้นในช่วงชีวิตจะต้องเหือดแห้งไปนั้นจะมัวเพลิดเพลินไปไ ย, ยชีวิตของเราท่านทั้งหลายซึ่งมีแต่ความเหี่ยวแห้งเหี่ยวเฉาไปเรื่อย จะเพลิดเพลินสนุกสนานไปทาไมนาะว่า ง, งั้นจะมัวเล่นคึกขนองไปทำไมความยินดีจะเป็นประโยชน์อะไรประโยชน์อะไรด้วยการสแสวงหาทรัพย์จะมีประโยชน์อะไรด้วยบุตรและภรรยาสำหรับอาตมาดูยก่อนมหาบาพิตอาตมาพ้นแล้วจากเครื่องผูกอาตมารู้ชัดอย่างนี้ว่ามัจจุราชจะไม่รังควานเราเป็นอันไม่มีความตายจะละเว้นเราไม่ได้หรอกยังไงความตายเขาก็ไม่ลืมเรา เราลืมตายตายไม่ลืมเราแน่เพราะฉะนั้นเมื่อบุคคลถูกมัจจุราชครอบงามแล้วความยินดีจะมีประโยชน์อะไรจะมีประโยชน์อะไรด้วยการสแสวงหาทรัพย์ดูก่อนมาหาเบพิตผู้เป็นจอมนระชาติกำเนิดของเราทั้งสองคนไม่สม่ำเสมอกันกำเนิดแห่งจันทานจัดว่าเลวทรามในระหว่างมนุษย์หรือสีนี้ก็ยังฟังใจอยู่นะจันทานนะพระเจ้าค่ะจันทานเยางนั้น เป็นชาติที่ต่ําต้อยเป็นชาติที่คนดูหมินเหยียดยม้มดูแคลนเหมือนกันเมื่อชาติก่อนเราทั้งสองได้อยู่ร่วมกันในคันแห่งนางจันทาลีคือแม่ผู้เป็นนางจันทารเพราะกรรมอันชั่วช้าของตนเราทั้งสองคนได้เกิดเป็นจันทารในกรุงอุเชนีอวันตีชนบทตายจากชาตินั้นแล้วเกิดมาเป็นเนื้อสองตัวฤาษีเนี่ยเล่าให้น้องชายฟังนะ ว่าพราะองค์เนี่ยระลึกชาติได้แค่ชาติเดียวที่จริงอ่ะชาติที่เกิดเป็นจันทารเมื่อเราเกิดเป็นจันทารตายจากจันทารก็ไปเกิดเป็นเนื้อสองตัวพี่น้องอยู่ที่ฝั่งแม่น้ําเนรัญชาตาตายจากอัตภาพนั้นตายจากชาติเนื้อแล้วได้มาเกิดเป็นนกเขาสองตัวพี่น้องอยู่ฝั่ง ร, รัมมัทานาทีจุติจากอัตภาพนั้นแล้วคราวนี้อาตมาภาพเกิดเป็นพระ ม, มหาบาพิษสงพบเป็นกษัตริย์ สมชาติเนี่ยมีชาติตระกูลเสมอกันแต่ชาติสุดท้ายเราทั้งสองคนพี่น้องมีชาติตระกูลไม่เหมือนกันซึ่งกล่าวอธิบายว่าดูก่อนมหาบพิตรราชสมภารพระองค์นี่ทรงเห็นผลแห่งสุจริตอย่างเดียวส่วนอาตมาภาพเห็นผลแห่งโทจริตและสุจริตทีเดียวด้วยว่าเราทั้งสองคนได้เกิดในกำเนิดคนจันทานในชาติที่สี่ แต่อัตภาพนี้ด้วยผลแห่งความชั่วด้วยผลแห่งความชั่วนั่นแหละทำให้ไปเกิดในคนตระกูลต่ําพาการรักษาศีลอยู่ในอัตภาพนั้นไม่นานเกิดในตระกูลต่ําแต่ก็ฝ่ายในศีลฝ่ายในธรรมด้วยผลแห่งศีลอันสุดจริตนั้นพระองค์นี้บังเกิดในตระกูลกษัตริย์อาตมาภาพเกิดในตระกูลพราหม์เพราะอาตมาภาพเห็นผลแห่งทุจริตและสุดจริตอันเคยสั่งสมดีแล้ว ทำแล้วทั้งดีทั้งชั่วผลดีผลชั่วไม่เคยลืมเราเราทำบาปลืมว่าโอ้ยทําบาปไปแล้วแต่บาปเหล่านั้นจะไม่ลืมเราไปแน่เพราะฉะนั้นวิบากใหญ่อย่างนี้เห็นผลเห็นกรรมอย่างนี้จึงสำรวมตนเท่านั้นด้วยความสำรวมคือศีลจะปราถนะบาบนะุตรจะปราถนาสัตว์เลี้ยงหรือธนะสารสมบัติบุตรภรยาหาไม่ได้ ดูก่อนมหาราชเจ้าเพราะว่าชีวิตของสัตว์ทั้งหลายในมนุษย์โลกนี้มีกำหนดสิบปีสิบผลสิบปีสิบผลเท่าไหร่สิบคูณสิบเท่ากั บ, 100นะ บ, บ, บนะร้อยหนึ่งนะสิบสิบร้อยหนึ่งคือร้อยปีเท่านั้นด้วยสามารถแห่งหมวดสิบเหล่านี้คือชีวิตของคนเรานั้นนะ่ะเมื่อเกิดมาแล้วสิบที่หนึ่งเรียกว่ามันดะทศกะ10สิบปีแห่งความเป็นเด็กอ่อน สิบปีแห่งความเป็นเด็กอ่อนไร้เดียงสาสิบปีที่สองเรียกว่าคิดดาศกะสิบปีแห่งการเล่นคึกขนองสิบถึงยี่สิบปีเนี่ยเป็นวัยขนองและก็อีกสิบปีหลังสิบปีก็คือสิบปีที่สามก็คือสิบวันณทศกะสิบปีแห่งความสวยงามอายุยี่สิบถึงสามสิบเป็นวัยแห่งความสวยงามแล้วก็สิบปีที่ ที่สี่ก็คือระหว่างสี่สิบถึงห้าสิบเนี่ยเป็นสิบปีแห่งความมีกําลังสมบูรณ์แล้วก็สิบปีที่ห้าเรียกว่าปัญญาทศกะสิบปีแห่งความมีปัญญารอบรู้แล้วก็สิบปีที่หกเรียกว่าหานิทัศกะสิบปีแห่งความเสื่อมหกสิบไปแล้วมีแต่เสื่อมอย่างเดียวแล้วก็สิบปีที่เจ็ดเรียกว่าปัปพารทศกะสิบปีแห่งความมีกายเงื้อมไปข้างหน้าข้างหลัง เขาเรียกว่างอแล้วอ่ะช่วงเจ็ดสิบถึงแปดสิบเนี่ยเริ่มงอแล้วเริ่มตีโค้งแล้วนะแล้วก็สิบปีที่แปดสิบปีที่แปดก็แปดสิบแปดสิบเนี่ยเขาเรียกว่าช่วงที่เป็นวังกะทศกะตสิบปีแห่งการมีกายโคง้งคดโคง้งโค้งอ่ะยืนตรงตไม่ได้กับเ้าล้อกแล้วก็สิบปีที่เก้าเรียกว่าโมมูหะทศกะตสิบปีแห่งความหลงเลอะเลือน พอให้กินข้าวก็จําไม่ได้ว่ากินข้าวแล้วโยมคนหนึ่งเขาบอกว่าไอ้ลูกที่มันดูแลข่านะมันไม่ให้ข้าวขากินเลยว่างั้นไม่รู้มันเป็นยังไงมันปล่อยข่าทิ้งทิ้งข้างข้างว่างั้นที่จริงแล้วอ่ะลูกเพิ่งยกสํำรับอาหารมาให้พักเดียวนี่เองนะพอยกอาหารไปพนไปคนอื่นมานะฟ้องใหญ่เลยไอคนนั้นไม่เลี้ยงเราเลยอะข้าวปลาอาหารก็ไม่ให้กินก็ว่าเป็นสิบปีแห่งการหลงลืมเลือน จำไม่ได้กินข้าวไปหยกๆยกย ก, ก็บอกว่ายังไม่ได้กินเหมืงนะเพราะฉะนั้นแล้วสิบปีสุดท้ายสยนะทัศกะสิบปีแห่งการนอนอยู่กับที่ไปไหนก็ไม่ได้ชีวิตนี้ย่อมไม่ถึงลำดับทัศกะเหล่านี้ครบทั้งหมดตามที่กำหนดไว้ได้พูดโดยทั่วทั่วไปแล้วคนเราจะมีอายุประมาณเท่านี้แหละแต่มันถึงไม่ล่ะใครจะอยู่ถึงกาหนดมั่งอยู่ถึงกำหนดก็มีบุญเนอยอม โดยที่แท้ยังไม่ถึงเขตที่กําหนดนั้นเลยก็ซูบซีดเหี่ยวแห้งไปเหมือนไม้อ้อที่ถูกตัดแล้วฉะนั้นคนที่มีอายุถึงแล้วนี่ก็ถือว่าดีแล้วแต่ผู้ที่อายุยังไม่ถึงสิเอาอะไรมาเป็นเครื่องรับรองเอาอะไรมาการันตีว่าโอ้อายุถึงแน่นอนโดยที่แท้ยังไม่ทันถึงก็สามารถที่จะเหี่ยวแห้งได้ ถึงแม้สัตว์เหล่าใดมีอายุอยู่ได้ครบร้อยปีบริบูรณ์รูปประธรรมและอารูปธรรมของสัตว์เหล่านั้นที่เรียกว่าสัตว์ก็คือก็คือรูปนามนั่นแหละรูปนามที่มีอยู่ในกายที่เรียกว่าสัตว์นั้นน่ะก็เป็นมันทัศนศกะถูกตัดขาดไปแล้วใช่ไหมสิบปีแรกก็ผ่านไปช่วงสิบปีแรกหมดไปแล้วสิบปีที่สองที่สามที่สี่ก็มีแต่หมดมีแต่อันตรธานไป ในระยะมันทัศสกะนั่นเองเมือนไม้อ่ที่เขาตัดแล้วก็ตากแดดเอาไว้ฉะนั้นจะล่วงกำหนดจนถึงคิดดาทัศกะหาไม่ได้ฤาษีก็เลยกล่าวว่าเมื่อชีวิตนั้นต้องสูบซีดเหี่ยวแห้งไปด้วยอาการอย่างนี้ความเพลิดเพลินยินดีเพราะอาศัยเบญจะกามคุณจะมีประโยชน์อะไรการเล่นขึกนขนองด้วยสามารถแห่งการเล่นทางกายเป็นต้นจะมีประโยชน์อะไร การยินดีด้วยความสามารถแห่งโสมนัส ด, ดีใจจะมีประโยชน์อะไรการสแสวงหาธนสารสมบัติจะมีประโยชน์อะไรประโยชน์อะไรด้วยลูกด้วยเมียของอาตมาภาพอาตมาภาพหลุดพ้นแล้วจากเครื่องผูกคือบุตรและภรรยาเหล่านั้นดูก่อนมหาราชเจ้าเมื่อก่อนถอยหลังนักจากนี้ไปสี่ชาติเราทั้งสองได้เกิดเป็นคนจันทานอยู่ในระหว่างพระนครอุเชนีในแคว้นอวันตีระ ตายจากชาตินั้นแล้วเราทั้งสองได้เกิดเป็นมรุกโปโดกอยู่ที่ฝั่งแม่น้ําเนรัญชารานทีมีนายพรานผู้หนึ่งฆ่าเราทั้งสองยืนพิงกันอยู่ที่โคนต้นไม้แห่งหนึ่งณริมฝั่งแม่น้ําเนรัญชารานั้นจนสิ้นชีวิตเคลื่อนจากอัตาภาพนั้นแล้วไปเกิดเป็นนกเขาอยู่ร่วมกันที่ฝั่งรัมมัทานาทีมีเสนาธหรือว่าเนสศศัตเนสัตก็คือนายพรานผู้หนึ่ง ดักขายทำลายเราให้ถึงตายด้วยการประหารครั้งเดียวเท่านั้นครั้นเคลื่อนจากอัตภาพนั้นมาชาตินี้เราทั้งสองก็เกิดเป็นพรามและกษัตริย์อาตมาภาพเกิดในตระกูลพรามในเมืองโกสัมพีพระ อ, องค์เกิดเป็นกษัตริย์ในพระนครนี้ครั้นพระโพธิสัตว์ประกาศชาติกำเนิดอันลา ม, มกต่ำต้อยผ่านมาแล้วแก่พระเจ้าสัมภูราชนนั้นด้วยประการดังกล่าวมานี้สแสดงว่าอายุสังขาร แม้ในชาตินี้มีประมาณมีเวลาเล็กน้อยให้พระเจ้าสัมภูตราชเกิดอุตสาหะในบุญกุศลทั้งหลายก็คือจะบอกว่าชีวิตอายุสังขารของสัตว์ทั้งหลายเป็นของเล็กน้อยนะชีวิตของสัตว์ทั้งหลายถูกชะลานำเข้าไปสู่ความตายอายุของสัตว์ทั้งหลายเป็นของเล็กน้อยเมื่อนรชนถูกชะลานำเข้าไปสู่ความตาย ย่อมเป็นผู้ไม่มีผู้ต้านทานถ้าหากว่าสัตว์ทั้งหลายจะไปสู่เงื้อมมือแห่งมัจจุราชตกไปสู่เงื้อมแห่งความตายแม้แต่บอกว่าลูกลูกก็บอกว่าเออแม่อย่าเพิ่งตายนะก็ช่วยไม่ได้พ่อแม่พี่น้องมิตรอมาตย่าสนิทถึงจะผูกพันรักใคร่กันขนาดไหนก็ตามไม่สามารถที่จะห้ามปรามตักเตือนกันได้ดูก่อนพระเจ้าปัญจาราช มหาบาพิษทรงทำตามคำของอาตมาภาพอย่าทรงทำกรรมทั้งหลายมีทุกข์เป็นกรรมใเลยอย่าไปทำชั่วเลยถ้าชั่วแล้วพระองค์นั่นแหละเป็นคนรับชีวิตของสัตว์ทั้งหลายถูกชารลา น, นำเข้าไปสู่ความตายอายุของสัตว์ทั้งหลายเป็นของเล็กน้อยเมื่อนรชนถูกชารลา น, นำเข้าไปสู่ความตายย่อมไม่มีผู้ต้านทานไม่มีใครมาหักมาห้ามมาต้านอย่าแก่นะ ที่แก่แล้วก็อย่าตายนะห้ามไม่ได้หรอกดูก่อนพระเจ้าปัญจาราตมหาบาพิตรจงทรงทำตามคำของอาตมาภาพอย่าทรงกระทกรรมทั้งหลายอันมีทุกข์เป็นผลเลยอย่าทำบาปที่มีกำไรเป็นทุกข์หรือว่าอย่าทำบาปที่มีผลเป็นทุกข์เลยชีวิตของสัตว์ทั้งหลายถูกชารานำเข้าไปสู่ความตายอายุของสัตว์ทั้งหลายเป็นของน้อย เมื่อนารชนถูกชาลานำเข้าไปสู่ความตายย่อมไม่มีผู้ต้านทานดูก่อนพระเจ้าปัญจลราชมหาบาพิตรจงทําตามคําของอาตมาภาพอย่าทรงทากรรมทั้งหลายอันมีศีรษะเปลือกกล้วด้วยทุลีกิเลสเลยชีวิตของสัตว์ทั้งหลายถูกชาลานำเข้าไปสู่ความตายอายุของสัตว์ทั้งหลายเป็นของน้อยชาราย่อมกําจัดวันนะของนรชนผู้แก่เท่า ผิวพรรณหน้าตาก็ถูกความแก่เนี่ยแย่งชิงเอาไปหมดเมื่อก่อนก็งามงามความแก่เข้ามาเยือนแหมมันค่อยๆปล้นไปทีละเล็กทีละน้อยหมดไปเรื่อยเลยดูก่อนพระเจ้าปัญจลราชมหาบาพิษจงทรงทําตามคําของอาตมาภาพอย่าทรงทํากรรมที่ให้เข้าถึงนรกเลยเมื่อพระมหาสัตว์กล่าวอย่างนี้พระเจ้าสัมภูตราศ ก, ก็รู้สึกตัวกล่าวว่าข้าแต่ภิกษุ ถ้อยคาของพระคุณเจ้านี้ดีจริงข้าแต่พิกษุถ้อยคําของพระคุณเจ้านี้เป็นคําจริงแท้ทีเดียวพระฤาษีกล่าวไว้ฉันใดคํานี้ก็เป็นฉันนั้นเออจริงๆท่านผู้เจริญชีวิตของสัตว์ทั้งหลายเมื่อแก่ชารามาแล้วก็เป็นอย่างนั้นแหละแต่ว่าการมทั้งหลายของข้าพเจ้ายังมีอยู่มากการมเหล่านั้นคนเช่นข้าพเจ้าสละได้ยากอยผมคงออกบวชไม่ได้หรอกผมติดพันแล้วดีจริงๆงอย่างนั้นฮะยึดติดเลย ช้างจมอยู่ในถ้ำกลางหล่มแล้วย่อมไม่อาจจะถอนตนไปสู่ที่ดอนได้ตัวเองฉันใดข้าพเจ้าจมอยู่ในหล่มคือกามกิเลสก็ยังไม่สามารถจะปฏิบัติตามทางของพิสูจน์นั้นได้โยสโรุปแล้วบวชไม่ได้รอลกลูกหลานพวพันนัวเนียไปหมดเลยองงั้นข้าแต่พระคุณเจ้าผู้เจริญอันหนึ่งบุตรจะมีความสุขได้ด้วยวิธีใดมารดาบิดาพร่ำสอนบุตรด้วยวิธีนั้นฉันใด ข้าพเจ้าละโลกนี้ไปแล้วพึงเป็นผู้มีความสุขอื่นนานด้วยวิธีใดขอพระคุณเจ้าโปรดพร่ำสอนข้าพเจ้าด้วยวิธีนั้นฉันนั้นเถิดเหมือนกับพ่อแม่นะคอยพร่ำสอนลูกอย่างไงพระคุณเจ้าก็ช่วยพร่ำสอนข้าพเจ้าอย่างนั้นบ้างพระโพธิสัตว์ก็กล่าวว่าดูก่อนมหาบาพิษผู้จอมนรชนถ้ามหาบาพิษไม่สามารถจะละกามของมนุษย์เหล่านี้ได้ไซ มหาบาพิตรจงทรงเริ่มตั้งเพลงกรรมอันชอบทำเธอเอะบวชไม่ได้ก็ไม่เป็นไรหรอกไถ่ทานบ้างอะนะแต่การกระทําอันไม่เป็นธรรมยาได้มีในรัตถสีมาของมหาบาพิตรเลยทูดทั้งหลายจงไปยังทิศทั้งสีนิมนต์ส ม, มณะพราหมณ์ทั้งหลายมามหาบพิตรจงทำนุสมณะพรามทั้งหลายด้วยข้าวน้ําผ้าเสนาสนะและขิ่ลานะปัจจัย มหาบาพิต์จงเป็นผู้มีกมลจิตอันผ่องใสทรงอังฆ่าสามณญพรามให้อิ่มน้ำสำราญด้วยข้าวน้ำได้ทรงบริจาคทานตามสติกำลังและทรงสเสวยแล้วเป็นผู้อันเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายไม่ติเตียนจงเสด็จถึงสถานสวรรค์เถิดดูกวอนมหาบาพิต์ถ้าความเมาจะพึงครอบงำมหาบาพิตผู้อันหมู่นารีทั้งหลายแวดล้อมอยู่ถ้ากิเลสตัณหามานะ ความมัวเมาเกิดขึ้นมหาบาพิษจงมณสิการคาถานี้ไว้แล้วพึงตรัดคาถานี้ในถามกลางบริษัทว่าเมื่อชาติก่อนเราเป็นคนนอนอยู่กลางแจ้งอย่าลืมนะชาติที่แล้วเรานอนอยู่กลางแจ้งอันมารดาจันทารีเมื่อจะเข้าไปสู่ป่าให้ดื่มน้ำนมมาแล้วนอนคลุกคลีอยู่กับสุนัขทั้งหลายจนเติบโต มหาบาพิษอย่าลืมนะเมื่อก่อนกินนมแม่แม่เข้าป่าก็ปล่อยให้เราอยู่กับหมาเสร็จแล้วเราก็ไปกินนมหมาว่างั้นบัดนี้คนนั้นใครๆเขาก็เรียกกันว่าเป็นกษัตริย์ชาติก่อนโน้นกินนมหมาชาตินี้มาเขาเรียกพระราชาเนี่ยที่บายว่าถ้าหากความมานะถือตัวปรารบกรรมคุณเป็นต้นหรือปรารบความสุขเกิดแต่ราชสมบัติจะพึงเกิดขึ้นแก่พระองค์ผู้ห้อมล้อมอยู่ด้วย หมู่สนมนารีทั้งหลายไซส์ทีนั้นพระองค์พึงทรงจินตนาการว่าชาติปางก่อนเราเกิดในกำเนิดจันทานอย่าลืมตัวมัวเมาได้หลับนอนในที่ซึ่งเป็นที่อพโภกาสกลางแจ้งนอนอยู่แต่กลางแจ้งเพราะไม่มีแม้เพียงกระท่อมมุงด้วยหญ้ามิดชิดเรียกว่าหลังคาพอที่จะกันแดดกันฝนก็ไม่มี ก็แลในการนั้นนางจันทาลีผู้เป็นมารดาของเราเมื่อจะไปสู่ป่าเพื่อหาฟืนและผักเป็นต้นก็ให้เรานอนอยู่กลางแจ้งท่ามกลางหมู่ลูกสุนัขให้เราดื่มนมของตนแล้วกว็ไปทีนั้นเราก็แวดล้อมไปด้วยลูกสุนัขดื่มนมแห่งแม่สุนัขพร้อมด้วยลูกสุนัขเหล่านั้นจึงเจริญวัยเติบโตที่เจริญเติบโตไดก้ก็กินนมหมาดีนะพวกเรากินนมวัวนะดีกว่าหมาหน่อย เรานี้เป็นผู้มีเชื้อชาติตำชามาอย่างนี้แต่วันนี้เป็นผู้เกิดที่ประชาชนเรียกว่ากษัตริย์วันนี้คนยกย่องนับหน้าถือตามมากเมื่อก่อนเราชาติกำเนิดเป็นจันทานนะดูก่อนมหาราชเจ้าเพราะเหตุนี่แหละพระองค์จะสอนตนเองด้วยเนื้อความนี้และก็ตรัสคาถาว่าในชาติปางก่อนเราเป็นสัตว์ นอนอยู่ในที่กลางแจ้งเมื่อนางจันทาลีไปสู่ป่าเที่ยวไปทางโน้นบ้างทางนี้บ้างเป็นผู้อันแม่สุนัขสงสารให้ดื่มนมหมาก็สงสารนะก็จะให้กินนมอะ่ะคลุกคลีอยู่กับพวกลูกๆจึงเจริญเติบโตมาได้แต่วันนี้เรานั้นอันไครๆเขาก็เรียกกันว่ากริสักดังนี้พระโพธิสัตว์นี้ครั้นให้อวาศแกพระเจ้าสัมภูตราชอย่างนี้แล้วก็กล่าวว่าอาตมาภาพถวายอวาศแกพระ อ, องค์แล้ว บัดนี้พระองค์จงทรงผนวดเสียเถิดอย่าสเสวยวิบาบแห่งกรรมของตนด้วยตนเลยบาปก่อกรรมทําชั่วมามากมายแล้วบุญกุศลอะไรที่จะทำได้ก็ทำไปเถอะอย่าไปคอยรับผลของบาปเลยแต่บอกว่าใช้บาปให้หมดมันไม่หมดหรอกมันทําอยู่ทุกวันอ่ะกรรมอ่ะแล้วฤาษีก็เหาะไปยังทิมมาวันต่ประเทศเวลาเหาะนี่ก็เหาะผ่านหัวพระราชานะเหมือนกับเอาฝุ่นขี้เท้าเนี่ยตกใส่หัวพระราชาดูสัหน่อยแล้วก็ไป ฝ่ายพระราชาทอดพระเนตรดูดาบทนั้นแล้วก็เกิดความสังเวชสลดใจสลดใจมากยกราชสมบัติให้แกราชโอรสองค์ใหญ่ตรัสสั่งให้พล น, นิกายกลับไปแล้วบ่ายพระพักเสด็จไปยังหิมมวันแต่ประเทศแต่เพียงพระองค์เดียวพระโพธิสัตว์เจ้าทราบการมาของพระราชาแวดล้อมไปด้วยหมู่ฤาษีผู้เป็นบริวารมาต้อนรับพระราชาแล้วก็ให้ทรงบวชสอนกสินบริกรรมพระสมภูตตาบท บำเพ็ญฌานและอภินยาให้เกิดแล้วดาบททั้งสองเหล่านั้นเป็นผู้มีพรหมโลกเป็นที่ไปในเบื้องหน้าด้วยปรกรชนิทั้งคู่ก็เป็นฤาษีภาษาสดาทรงตรัสพระธรรมเทศนาเรียตรัดว่าดูก่อนพิสูจน์ชงหลายโบราณกับบัณฑิตแม้แต่จะท่องเที่ยวไปในสามสี่พบก็ยังเป็นผู้มีความคุ้นเคยรักใคร่สนิทสนมมั่นคงอย่างนี้โดยแท้แล้วกล่าวประชุมชาดกว่า สัมภูตตาบทในครั้งนั้นมาเป็นเป็นใครดิใครส น, นิทสนมกับพระพุทธเจ้ามากที่สุดพระอนนท์เนาะนะพระอนนท์เนี่ยเป็นคนที่คอยติดตามมันสัมภูตบัณฑิตในครั้งนั้นเป็นพระอนนท์ส่วนจิตตบัณฑิตดาบทได้มาเป็นเราตถาคตพระผู้มีพระภาคนั่นแหละพระองค์ในในอดีตชาติเคยเกิดเป็นจันทานผู้มีวั น, นะที่ใครๆรก็รังเกียจเหยียดยาม มาตอนหลังใครๆก็ยกย่องนับหน้าถือตาใช่หมแต่ชีวิตของศาสตร์ทั้งหลายที่เวียนว่ายอยู่ในสังสารทุกข์ได้ดีตกยากสุขทุกตามแต่ปัจจัยปัจจัยนั้นๆปัจจัยที่สำคัญซึ่งเราปล่อยไว้ไม่ได้เลยก็คือกรรมะปัจจัยเราปล่อยให้ใจของเราไหลไปในบาปในอกุศลเรานั่นแหละเป็นคนที่ก่อกรรมสร้างความชั่วให้กับตัวเราเวลาทาบาปไว้เยอะๆอย่าไปโทษคนอื่นเนเพราะเรานั่นแหละเป็น ทายาแทแห่งตำเหล่านั้นใครมีปัญหาอย่างอื่นไหมขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้สะสมพระปรมีธรรมผู้สั่งสมบุญกุศลสัมภาระอันยิ่งใหญ่ได้ตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมพุทธญาณผู้เปี่ยมล้นด้วยพระปัญญาที่คุณพระมหากรุณาที่คุณ และพระบริสุทธิทคุณขอนอบน้อมพระทมคำสอนที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงทรงประกาศเปิดเผยตลอดระยะเวลา 45, สาิบ้าพรรษาขอนอบน้อมแด่มโม่พระอริยะสงฆ์เจ้าทั้งหลายผู้ประพฤติปฏิบัติตามพระโอวาทที่พระผู้มีพระภาคได้ทรงแสดงแล้วตั้งแต่ต้นจวบจนถ่าทุกวันนี้ขอความเจริญงอกงามในกุศลธรรม ความสุขสงบร่มเย็นแห่งจิตใจจงบังเกิดมีแก่บรรดายาเตียมทั้งหลายวันนี้ก็อีกครั้งหนึ่งซึ่งพวกเราทั้งหลายก็จะได้ร่วมฟังพระธรรมคาสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระธรรมคสอนแต่ละครั้งที่เราทั้งหลายได้ร่วมกันฟังได้ร่วมกันศึกษานั้นส่วนใหญ่แล้วเป็นข้อความที่เอามาจากพระตรีดิดก ก็แสดงว่ามีส่วนน้อยเหมือนกันที่ที่เพิ่มเติมเรียกว่าที่อธิบายเสริมเข้าไปแต่ว่าหลักจริงๆแล้วเป็นข้อความที่เอามาจากพระไตรปิฎกพระผู้มีพระภาคเจ้าของเราทั้งหลายเป็นผู้ที่มีพระปัญญาที่คุณมากมายมหาศาลพระปัญญาของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นสิ่งที่ควรรู้มีอยู่เท่าไหร่ทั้งในโลกนี้หรือว่าโลกไหนก็ตาม ความรู้ของพระพุทธเจ้าก็มากเท่านั้นแหละเบอกว่าสิ่งที่ที่ถูกรู้ได้เท่าไรปัญญาของพระพุทธเจ้าก็รู้สิ่งเหล่านั้นทั้งหมดรู้สิ่งทั้งหมดเหล่านั้นโดยไม่ขาดตกบกพร่องเพราะฉะนั้นพระผู้มีพระภาคชื่ออีกชื่อหนึ่งของพระองค์ก็คือพระผู้เป็นสัพพันยูผู้ตรัสรู้สรรพสิ่งผู้ตรัสรู้ทุกสิ่ง และการตรัสรู้ของพระผู้มีพระภาคนั้นเป็นการตรัสรู้ด้วยพระองค์เองเป็นการตรัสรู้ด้วยตัวเองไม่ได้มีผู้อื่นแนะนําสั่งสอนในเรื่องการตรัสรู้โลกุตรธรรมทั้นความรู้ทั้งหมดที่พระผู้มีพระภาคทรงตรัสรู้นั้นเกิดจากการสั่งสมบารมีธรรมคือผู้ที่จะบรรลุอริยสัจผู้ที่จะตรัสรู้ความจริงคนที่จะเข้าถึงความจริงได้ ความจริงนั้นความจริงที่ประเสริฐสูงสุดเลยนั้นก็คือบทสี่ก็คือทุกข์สมุทัยนิโรธมักความจริงทั้งสี่ประการนี้ผู้ที่เข้าถึงความจริงเหล่านี้สามารถพ้นจากกองทุกขได้ถ้าสามารถที่จะตรัสรู้ทุกข์สมุทัยนิโรธมักได้แต่การที่บุคคลที่จะมีปัญญาเข้าถึงอริยสัจคือความจริงทั้งสี่ประการนี้ได้คนนั้นก็ต้องเป็นคนที่ สั่งสมบุญมาก่อนนันสิ่งที่สั่งสมมาเรียกว่าบุญบุญเท่านั้นแหละที่จะเป็นปัจจัยเกื้อกูลต่อการบรรลุอริยสัจหรือบรรลุเป็นพระอริยเจ้าในบุญเหล่านั้นก็คือบารมีทั้ง10ประการถ้าหากว่าเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นพระองค์ทรงบำเพ็ญบารมีสิบทัศ